เรื่องผูที่แดงนังสือเรื่องกาิบัตคือวไมไมะยายามไม่ควรจะดิ้นรนกสับกษัยในการปฏิบัติเอสิงดสิงนึ่งแต่มันคัจะต้องจะต้องเถ้าที่ไมไมายามไมนรนกับมัน ทำไมมันจึงเป็นยังงันเาจึงพูดยังงันใใครจะเป็นคนแต่งอ oh Who are these writers? พูดเนี่ใครคือแต่งนังเสือทุกทุกไฟเป็น Zenbang ทิบต Bang t h e r t Bang ก็พูดถึงการตรัจสอบการเห็นธรรมแต่บอกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นจะเข้าถึงมากมันมันต้องเห็นมันต้องตรัจสอบแต่ว่าไม่ควมุง่งไม่คว<ค> ร, รใครจะเป็นคนแดงหนังสือนี่นนแกพูดว่าใครจะแดงหนังสือแต่ห้ามใครมาให้มุ่งแดงหนังสืออย่างนั้น ดิ้เราดเขาจะว่าเราจะแจกหนังสือดยังไงโพยแจกเน่เขว่าเขาว่ามีคนแดงมาแล้วแต่เรื่องการบติในเขาแดงเรื่องการปฏิบัในการบติปฏิบัเราไม่ควรมุงแต่จังเป็นที่จะต้องเห็นที่จะต้องจะรู้แต่ไม่ควรไม่ควรมุ่อะถ้าถ้ามุ่ง เห็นธรรมะมันก็ไม่ไม่มควรทำไม่ควรมุ่งแต่งหนังสือหรือไม่ควรมุ่งปฏิบัติไม่ควรมุ่งให้การทัศลูนะครับ<อ>แต่ว่า เ, <อ>เขาว่าก่อนก่อนจะได้ทัศลูนั่นก็จะต้องมีรสชาติของทัสศลูเสียก่อนอืมคล้ายๆว่ามันมันสลับซับซ้อนกันอย่างนั้นนะครับอืถึงเขาก็สงสัยหลวงพ่อก็อสั่งสอนอย่างไรหรือว่ามีความจะชี้ให้เรื่อง เรือันนี้นะครับอือ <c oughs> อัตมาเนี่ยไม่ได้มุ่งจะแจกหนังสือหรอให้เอาหนังสือเข้าไปในตู้เลยดีกว่า <c oughs> นนหนังสือเนี่ยเก็บเข้าในตู้เลยไม่ต้องเอาม า, าอ่านเลยอ่านจิตเจ้าของนี่แหละถ้คาคุณไม่ไปจะฟังคุณอยากจะอ่านคุณอยากจะแตง่งนักแต่งนาเขียนก็อยากจะแตง่งอัตมาเนี่ยอาใจอัตมาอยากจะมุ่งเอาหนังสือเนี่ยไปในตู้เลยเปิดให้ดีใส่คุนแกะเลยไม่ต้องอ่านนลยก็ได้นั่นแหละดีมาก แต่คนมันอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเขียนมันเป็นกับคนที่เขียนหนังสือแต่งหนังสือธรรมาไม่ต้องการหนังสือเนี่ยอมไม่รู้กี่ปีมันไม่อ่านนหนังสือนี่เ <laughs> พราเห็นว่าธรรมะมามอยู่ในหนังสือดอกแต่ไอ้คำที่ชี้ทางมาอยู่ในหนังสือคนอยากจะรู้เร็วเข็ยนเดียวก็อ่านหนังสือให้มันรู้ขึ้นว่าคนก็ดื้อรู้ใจเจ้าของเช่ไเป็นบริวญใจหนังสือ แต่ไปดูทําในหนังสื อ, อก็ได้พูดใหนหนังสือได้เรื่อยๆไปที่ดเต็มอยู่ในนี่มาดูเรื่องเราวไม่ได้ต้องไมด้คิดอย่างนั้นนี่ว่าอันนั้นเป็นปคนที่เขียนหนังสือสิทธิแดงของมึงเองครับไมไ่ต้องการอย่างนั้นหรอกอแกเขาไม่ดุของเขา <c oughs> นั่นท่านตัเม้นแกก็ถูกถูกแต่ว่ามันจะไม่มีหนังสืออิในตูรคนอยากอ่านก็ไม่ได้อา่านความจริงก็เป็นนั้ม ครงแรกพอพระรัชกาลมาเนี้ยอ่านนี่คงพีหรอกเป็นนางดับตาขนาดเกิดไว้ยังไงตรงนั้น น, นะเทศคนขเขียนเขียนหนังสือทุกเล่มบางทีคนเอาไปอ่านเราได้บอกว่าอันนี้หนังสือนะนี่อ่านก็ให้รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวหนังสือนั่ไม่ใช่เป็นธรรมะ้ธรรมะไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่บอกธรรมะธรรมะไปอยู่นี่นะ ยังซีนัยไม่รู้อยู่ที่ครอบปฏิบัติคนขึ้นมาเองแต่เมุองอย่างนั้นไอ้คนไปจริงเราชอบที่สุดก็คือเราเราจะบอกเอาเอะเอาขว า, านนี้ตู้เดินะปิดกุญแจดีๆนั่งนั่งเอาตาํารานี่อ่านธรรมชาติมันออกมามันเป็นยังไงรดปของโกรธมันเกิดมาเรารู้จักรดปดของโลภเกิดมารู้จักรดความหลงเกิดมารู้จักอ่านหนังสือแล้วก็โลภโกรธหลงไปดูที่ชื่อมัน ตัวเราหลงอยู่กับไม่รู้ตัวเราโกรธอยู่ก็เอาไม่ได้หนังสือมันเป็นอย่า ง, งานั้นแต่ว่าเดอนของคนที่จะแต่งอย่า ง, งา น, นั้นนะให้รู้ไปทําทำยังไง น, นะคิดักันแม่มันนั่นเป็นนะป้นายรหัสเนาะแก่แต่ห า, ายสงสัยเนาะแก่ปัญหาอยู่เรื่อยคนสงสัยหลายนะเนาะออถ้าเป็นอะลาดเนี่ยถ้าเป็นปะ้ะยรหัสเน่ยก็จะม่มีปัญหาแล้วแก่จะสบายนะพยายามกันนะแต่อย่ามุ่งให้มันมากนะ แต่มันมุ่งมากับินเสียประสาทเอามีอะไรก็มากันเลยเวลากลับไปใช้ชีวิตประจําวันนี่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะฝึกสมาธิยังไงแล้วก็นานเท่าไหร่แล้วก็ต้องพึ่งอาจารย์แบบเท่าไหร่คะทําไปเรื่อยอืเหมือนเราพึ่งเขาสูบกันละวันละชั่วโมงหรือว่าอะไรวันนัแล้วเตรโอกาสที่เราจะต้องมี ทำไปเนี่ยทํานองเนี่ยเอแล้วต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะใช่อาจารย์ก็พึ่งไปด้ว่อยเลยแต่แต่ที่อยู่ไม่มีค่ะฮะอยู่บ้านได้สิต้องกลับไปเมืองไทยก่อนะที่ไหนก็อยู่ได้เดินไปทําถนนก็นนกยู่ได้นั่งรถก็ยังอยู่ได้นี่ปฏิบัติได้นี่นะจะกลัวมันทําไมฮะเมื่อเรามีโรูปไม้ใหญ่อยู่เราก็รู้สึกปฏิบัติ อันในดีก็ปฏิบัติอันในไม่ชอบแล้วก็ละไปเรื่อยๆไปเท่นั้นนะไม่ใช่ว่าจําเป็นการปฏิบัตตั้งดับตาอย่างเดียวหรอกกิเลสมันจะมาถึงเมื่อเราดับตาหรือดื่มตากิเลสมันจะไม่มาหรืเนี่ยนี่เราให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติตก่อนว่าอารมณ์ที่แรงยังยังความโกรธความโศกความเสียใจ ยังรังก็เมื่อพิจารณาดูก็มนไม่ค่อยชัดที่ที่เขาปฏิบาติมนุษย์เป็นการพลอยวางรือเป็นการการจักอร่นเช่นยก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็มีอะไรเป็นแนวดัตซินนัยัันนที่นั่นที่สงคือคุณก่อ ครามรู้ความโกรธมีความโกรธกับผู้อืน่นควรจะบอกกันกับผู้นั้นว่าบัตรปงทีก่บกบบัต น, นี้เขาจะเอาโกรธเร่ออะไรเให้ปฏิบัติในตัวเองดีกว่าดูคนที่คนนั้นจะควรบอกเขาได้ไหมนั่นบางทีไปบอกเขาก็จะโกรธเราอี ก, ก็ได้ดูคนซะก่อนเดี๋ยวควรพูดไหมควรบอกไหม ดูบคุคคลดูเวลาซะก่อนติบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ถ้าหากว่ามันควรนะถ้าคนนั้นไม่บอกว่าถ้าเข้าใจว่าไอ้คนนั้นไม่ควรจะดีนแล้วคุณท่านโกรธเนี่ยคนยังอยู่าเกิดโทรศัพท์ขึ้นมามันฆ่ามันแก้งกันก็ได้เนี่ยดูก่อนสิไม่ใช่ว่ามันบางทีมันอืเราจะเข้าไปสําคัญว่าเสือเป็นแมวได้เกือ เป็นจับมันบิมเป็นเสือมันไม่ใช่แมวนี่นะออืะเราควรจะพิจารณาให้อย่าภคายในเรื่องความโศกความเสียใจต่างๆกการปฏิบัติแต่ศาสตร์ชินหรือว่าปฏิบัติการปล่อยมันเดี๋ยถ้าศาสตร์ชินมันก็ปล่อยมันเท่านั้นเดี๋ยวต้องให้รู้จักมันดิมันทําไมมันถึงสศกโศกนั้นมันเป็นเราไหมโศกแล้วมันเป็นอะไร อมันเป็นควรที่ติดตามมันไหมการมันโศกมันสบายไหมถ้าอยู่กับเรามันดีไหมเราโสกเพราะอะไรี่โสกเพราะไอ้คนนี่ตายแล้วมันโศกเราจะให้มันตายไหมเขาอยากจะตายไหมเราจะให้มันตายไหมนี่มันก็ตายเองมันเท่านั้นแหละแต่เราไปโสดเราก็โง่เท่นั้ไปโศกก็อะไรล่ะแต่นี้เห็นแค่นี้มันก็เลิกเท่านั้นแหละอย่าพี่นายมันรู้ชัดเจนนี่เป็นนิพพานาจะก็ไป็นเรื่องธรรมดาของมันเอง แต่ในการปฏิบัติอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการนี้จากอารมณ์เฉยๆหรือเป็นการปล่อยวางที่แท้จริงเดี๋ยวก็ดูจิตของเราที่มันคืนมาไหมข้ามันตายเนี่ยนอนหรือ ย, ยังไม่ตายอืมถ้ามันไม่ตายมันก็คืนมาอีกแน่ทามันตายเนี่ยก็ดูเท่าทีทุกวันที่มันเกิดมาพุม่มกัดงบด้วยด้วยด้วยด้วยอย่างไฟเลวนี่รุ่นไฟไหม มันมีทั้งไฟมีทางควันไฟมีทางความร้อนนะถ้าเราเอารุ่นไฟออกมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะอืมก่อนมันจะดับนะเปลียวไฟมันดับไปก่อนนี่นี่มันก็ต่อไปนั่นมันก็ยังมีควันอยู่นะควันไฟมีอยู่มันยังอยู่นั่น น, นะอืมควันหมดแล้วความอบอุ่นยังมีอยู่นะ่ะ นะฮะเอ๋อย่าไปไว้ใจมันนัะมันจะเปิดเป็นไฟขึ้นได้นะนี่เรารู้จักนีนะจักไหวไฟเปลวไฟก็หมดไปแล้วไอ้ความไฟก็ไม่มีแล้วความร้อนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วทางตัวเองก็รู้จักเลยให้ให้อารุณไฟไปดูรุ่นไฟก็ได้จับรุ่นไฟแล้วมันดูขึ้นอย่างรุ่นไฟมันดับอย่างไรไฟเหลืออยู่อย่างไรไฟเป็นยังไงควรเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงไฟเป็นยังไงเนี่ยมันรู้จัก เรา้อรู้จักจกิต น, นั้นก็อนไม่ต้องถามใครแบบนั้นมันบอกเอง น, นะเนี่ยเ <c oughs> มื่อคืนก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องเราต้องรู้จักจกิตใจที่เย็เยนแล้วก็จิตใจที่เดือดร้อน เ, อเขาก็อยกากทราบว่าใจที่ร้อนก็คืออะไรใจที่เย็นก็คืออะไรนะครับรู้จักจักมันร้อนไหมเคยร้อนไหม แล้วยเขาเขาเดูเก็ เ, เ, เ, เคยเย็นนะเ <c oughs> นี่ยมันร้อนยึดที่ตรงไหนเรยเย็นยึดที่ตรงไหนตรงนั้นแหละที่มันร้อนมันเย็ น, <c oughs> <c oughs> นที่เราไปยึดมันมันก็ร้อนถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยมันไม่เคยมีอาการอะไร <c oughs> ที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ปราศจากปัญญาเนี่ยมันร้อนขึ้น นะที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ที่ประกอบประวยปัญญาเนะี่ยมันก็เย็นลง น, ะมนลละมันรู้หรือมันลงมันรู้หรือมันหลงแกก้อนรู้ก้อนหลงไม่ใช่เท่านี้นะยังอีกนะยังอีกมันอยู่ข้างล่างนะเยอะอต้องนั่งคน้นต้องนั่งพิจรารณาไม่ใช่ว่าอารมณ์มีแค่กลางนะั้นไ่โกรธคือมันไม่ดูดเลยฮะ ถ้ามันไม่ชอบใจเราจริงๆแล้วกโบว์คือว่าอี๋อย่าเพิ่งเข้าใจว่าอย่าเพิ่งเข้าใจมามันหมดง่ายๆทําเรื่อยไปพยายามทำเรื่อยไปทําเรื่อยไปความสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มันจะมันจะเป็นหมดกับไอรู้จักกับคนอื่นเดี๋ยวถามนะมันหมดสงสัยมันต้องรู้รวยตัวเองมันจึงหมดสงสัยถ้าเราถามคนอื่นเนี่ย ไม่หมดสงสัยสงสัยไน่หมดเมื่อเราไปปฏิบัติเข้าไปรู้เองเห็นเองนั่นเนี่ยหมดอย่างที่นี่นะ่ะถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาบวาชที่เนี่แจ๊กเขาอยู่อย่างเนี้ยเราก็รู้จักเหมืองกันตเต็มันไว้ชัดใครไปอีกล้ก็ถามไอ้แจ็คเขาอยู่ยังไงก็ถามอีกเละไปร้อยคนกนะ็ถามร้อยคนบันนี้เรามาเห็นเองเนี่ยตบพระประกะรณูนี่ถามใครแล้วันนั้นว่าที่แจ็กเขาอยู่ยังไงที่ปฏิบัติเขาอยู่ยัปถาหมดแล้ว นี่ ม, นนมันการเพราะเราเห็นเลยตัเองปัญหากั่หมดไปอย่างนี้พอบอกว่าปัญหาไม่ใช่จะรู้ร้อนกับเย็นก็คือเขาได้เปลี่ยนแปลงกับร้อนและความเกลียดคร้านคือเขายกตัวอย่างตอนนั่งสมาธิดูลงหายใจบางทีก็หรือไปหรือ ว, ว่าลืมแล้วก็ ค่อยๆกลับมาดูลงอีกแต่ว่า เ, เขาสงสัยว่าก็าจะไปไปมันจะช้าไปหรือว่าเขาก็ตามความเกียรครั้นเกินไป เ, เป็นอย่างไรครับหรือให้ให้กลับมาทันทีอาจจะต้องใช้กำลังให้กลับมาทันทีหรือว่าให้ค่อยๆดึงกลับมาห ร, หรืออย่างไรนะครับเปดึงใครกลับมาอะไรนะครับไปดึงใครกลับมากา <st ut ters> ไม่มีใครไปที่ไหนแล้ว <S <S จะ่ากอดใจว่าใครไปที่ไหนล่ะใครจะไปที่ไหนแล้วเราก็นั่งอยู่นี้จะไปดึงใครมาไง <c oughs> เราเข้าใจไปอย่างนั้นเนาะอืจะไปดึงใครมาอย่างเราอย่างเราจะไปไทยแลนด์เนี่ยก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปเท่านั้นแหละ <c oughs> จะไปเอามันมาอย่างไง รู้ขึ้นที่นี่มันก็อยู่ที่นี่แหละพริกขั้นนี้ขึ้นกันอยู่ที่นี่แหละหน้ามืออยู่ที่ไหนหลังมืออยู่ตรงไหนหน้ามืออยู่ตรงนี้หลังมือหายไปแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะจะไปหาโนนหรือเปล่าไม่ใช่พริกตรงนี้อ้าอยู่นี่แทบเท่านี้จะไปดึงมันมาจากที่ไหนหน้ามือหลังมือมันทับอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะมันไปโน้นเดียวไปดึงมันมากณเหนื่อยแย่ดี๋ยวมันเดี๋ยวไปที่ไหนเนาะอืมใช่ฉันนั่งจึงจึ้ ใชอ่ให้รู้อยู่ตรงเนี้อจะวิ่งไปตรงไหนแร้วจะไปไหนจะไปกัลปณิยานุเดอะมันไปไปที่ไหนหรอกถึงอยู่นี้แหละดอิกตรงนี้ทําความรู้สึกให้มีมาเมื่อขึ้นตรงนี้ทําความรู้สึกขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนนะเราเข้าใจว่ามันไปโน่นมันไม่มไปอะคือเรื่องเรื่องมันการปฏิบัติการ คันรเจอรมันจะชาโรเจร์วก็ไม่ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่หมไม่ต้องยุ่งกับมันจะไปจะไปจัดแจงไว้จะไปรีบมันจะไปเร่งมันเถอใครจะไปเร่งมันล่ะเราจะเร่งเราได้ไหมเราไม่ต้องเร่งมันจะดูมันเท่านั้นแหละเอีเรารู้มันรักษาลักษณะมันเป็นอะไรยังไงจนดูเรื่องของมันลักษณะของมันเท่านั้นแหละไปเร่งกันจะรู้ได้เลยจยิ่งเกิดไฟใหญ่แล้วนี่คงไม่เร่ง ของไม่เลี่ยงของเกิดที่ในที่สงบไม่ใช่เกิดในที่วุ่นวายมันไม่มีชามีเร็วแล้วพี่ชาเลี้ยวเราไปสมมุติเอามันไม่ชาไม่เรีวแล้วไม่มีชาเลีวยวมันเป็นตามสัญญาของเราเฉยๆเราชาเลี้ยวเราไปคิดว่ามันชาเลยเราทุกข์ใจว่ามันเลียวไปก็เลยทุกข์ใจมันไม่มีชาไม่เลี้ยวแล้วเยี่ยเป็นไหมมันให้รู้อย่าง น, านั้นอืม คนไปรับเหมาทํางานก็อยากให้มันเร็วที่สุดนะมันช้าไปคนที่มีเงินเดือนกินก็อยากให้มันเดือนให้มันไหนสักอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะให้มันในน้อยวันกลัมาอย่างนี้มันเป็นก็คนเห็นไหมเพราะคนมันต้องการเงินเป่าๆไม่ต้องลงแรงกันอีกนะมันถึงเป็นอย่างนั้น มันจริงกำจัดธรรมชาติแต่ไม่อยู่แต่อำนาจของมันไม่ได้อยู่แต่อำนาจของมันมันก็ทุกข์ร้องไห้ดิ้นดนลนะเป็นไป็นดัชนีนงองนั้นไ ป, นปนพูดไ้ฟังกันหนึ่งนะให้เป็นตัวอย่างนะดู <c oughs> สิตัตมานี่แหละมันมาภาวนาไอ้ความคิดมันไปถึงจุดหนึ่งนะมันคิดว่าเนี่ยไอ้มนุษย์ทําไมมันไม่เหมือนกันนาะอย่างนี้ ไอคนนี้ทําไมไม่เหมือนคนนั้งคนนั่งไมเหมือนคนนี้ไอคนนี้มันใจร้อนต่คนนั้นมันใจเย็นนะทําไมมันไม่เหมือนกันวนาะมนุษย์เนาะไปนั่งยิ่งไหนก็อยากให้นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดนั่นก็ไม่เหมือนกันอัศจัรย์ในทาไมมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นั่งที่ไหนก็คิดนั่งที่ไหนก็คิดเลยเป็นบ้าเลยอ่นี่คืออยากคุมธรรมชาติให้มันให้มันได้ใจของเราอย่างนั้นอืม ได้ เ, เ, เป็นบ้าเพราะอยากให้คนเหมือนกันเท่งนั้นไม่ไม่เอาอะไรอุ้องพอเคยมีลูกสิษย์<ว>ลูกศิเก่งมากเ <S <S มันอยากให้บังคับเองเหมือนกันทั้งหมดไ่กอดเลยเปนบ้าได้เป็นบ้าเห็นไหมที่บีบมันเกินไปลายมันไห ม, ม้ก่อนนเนื่นี่มันเป็นน้นไ อ, อ้ความสงสัยนี่คือการกะทำไม่ไม่ไม่ตม้องช้าไม่ต้องเร็วเรียกว่าัคบมันนียก็ต่อยตามเรื่องของมันเห็นชัด เมื่อเขานั่งสมาธิเอเก็บปวดอในขา<ม>ก็จัดจัดความเจ็บปวดก็เจ็บมากเมื่อเจ็บแล้วก็ตอนนั่งต่อเรื่อยก็เจ็บขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ความฟุ่งสร้างก็เกิดขึ้นในจิตในใจจนความเจ็บปวดนั้นและความฟุ่งสร้างนั้นก็อจนลืมตัวภ<ม>าวนาก็หายไปหมดมมจะทํำยังไงนะครับ ทำอย่างนั้นแหละเอาแบบอย่างงั um ้นแหละนพรามันเป็นเองมันมันเก็บมาแล้ก็หาเองมันมันเก็บขึ้นมาเราว่าครับไม่ให้มันเก็บได้เดี๋ยมันเก็บเองมันก็ให้มันหาเองมันทีเราจะไปทําอะไรมันได้นะถ้าเราทนไม่ไหวเนี่ยก็พี่ไปเส้นหน่อยกัพ่อแล้วเนี่ยทำไงมันก็เรื่องของอย่างนั้นเรื่องตั้งการเนี่ยความฟุ้งซ่านนะเนียมันเป็นอย่างนั้นเหมาะแต่แต่ความฟุ้งซ่านนครับเสมอ คือคือคือมาเจ็บปวดนั่นก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดเกิดเกิด้นพร้อมฟุ้งแค่นั่งดูมันมันจะฟุ้งไปทั้งไหนล่ะอแล้วนั่งในนี้แต่ฟุ้งมันก็หยุดเท่านั้นเดี๋ยวจะไปตรงไหนล่ะมันฟุ้งเกินมากมันตายซะอยากฟุ้งได้ตายซะนั่งดูด้วยนั่นเดียม sort of ันก็ตายตรงนั้นมันจะไปตรงไหนล่ะยิ่งนายจะพึ่งเข้าใจว่าพูดได้นนะนั่งดูให้มันตายตรงนันก็ตายอเงียบอนั่งในนี้มันก็เกิดขึ้นมาหยิ่งก็เกิดตายเกิดตายเกิดดับนี่ ทำเรื่กั บ, บอย่าง น, นสิ่งทั้งหลายนั้นเนี่ยของไม่จริงไม่จังกันเน้อจะไปเอาจริงกับจังกับมันไดไหมล่ะ <C oughs> ไปเอาจริงกับจังกับมันให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นนะขอโทษนะนี่ของที่มัมม น, มนไน ม, ม่จริงไม่จังอยไปเอาจริงกับจังกับมันที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแ่ะคือความเอาคือความทําจริงเนี่ยคือความทําจริงกับมันแต่ไปบุ่นกับมันมากเกินไปจะไปคลุมตัวมันไน่ยปเอาจริงกับมันของไม่จริงไม่จังไม่ได้ ก็พลิกไปเปลี่ยนมาพลิกไปเปลี่ยนมานั้นถ้าเราเห็นว่าเอาจริงเอาจังกัของที่ไม่จริงไม่จริงเลยออมันเปลี่ยนไปเรื่องนนี้มันก็เป็น่ยนไปเพรมันเห็นอย่างนั้นเนื้ทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใส่ใส่กคนตัวโตนเราเขานี่มันเวทนาถ้าเกิดได้ออกจาไปชนะสู้มันถึงที่สุดเท่านั้นนะจะจบเรื่องนะอเรื่องเรื่องกรรมกรรมเก่าคือทุกคนนี่ก็ คุณต mm ้องนัยนัยผ้ช่ยคุณต้องสวยผ h อนให้กล้แล้วก็ยังรายจริงเจ้าปฏิบัติตัวตัอนคงแล้วก็อีกเมื่อนึงก็บทีก็รู้ักว่ากำลังทำกำกำไม่ได้กำชัวร์ไปทำมาเล้ยงทั้ n ยั a ราจิงเจ้าจร จะทำเมันหมดไปเร่งบางทีก็ทำคำชัวกับคนเอารังเจอปัติปัตยางไรกบคนนั้นไม่ใ้มันหมดเดียวเดียวมันค่ อ, คอยๆหมดไปทีนัาเราปลูกต้นไม้สองต้นนะมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งเราปลูกสองต้นนะี้นะต้นนี้เราจะไม่เอา ม, านะอมันแล้วนะกำมนนั้นเราก็หยุดมันแค่นั้นเราจะสร้าสงสมมันใหญ่เพิ่มพูนมันอีกเราก็ค่อยๆปล่อยไว้ปล่อยไว้ กราทำจิตใจเราก็เข่าสูงขึ้นมานะนี่อะไรมันก็ทิ้งตัวนั้นไป เ, เหลือตัวเดียวตอนนี้มันก็ตัวไม้ไงนี่ว่าการละการละไม่เที่ยงละเฉยละเราพิจารณาด้วยแต่มันทึกจิตใจของเราเห็นโทษมันจริงคนละมันไปด้วยหมดเยอะไม่ตัวเดียวนะให้คุ้ยตัวง่ายารักษาแมลงกัง่ายต้องทำยังไง ตามภาษาพระแต่มันละบาปบำเพ็ญบุญ ล, ละความชั่วพิชความดีความชั่วจะไปทำมันอีกเลยอืมทามันไ่แค่นั้นเดีย๋ยวมันหยุดแค่นั้ น, นมันไปอีกแล้วมันก็หมดเปท่านั้นจะทำไงเยอะ <laughs> <laughs> น่าจะมีอีกแต่คงจะไ ม, ม่เยอะามันมี้ที่เลาไม่พอ แล้วไปจัดเวลาใหม่ก็ได้อหยิบเม็ดยินเม็ดทรายขึ้นมานับมันจะหมดด้วยนี่แทนยินไอ้ก้อนขวดนี่มหาสมุทรเยมันเยอะไปจะมันจะมานับหมดทุกก้อนนี่จับมาก้อนเดียวนี่ก้อนขวดก็พอแล้วเนะนะี่ะเห็นหมดแล้วเอาอย่างนี้สิก้อน <c oughs> ขวดอ่ะอ้นี่ไม่ดูจะก้อนขวดเลยก้อ <c oughs> นหินนะก้อ <c oughs> น ข, อขอดวดนั่นนะ สิโยนิบนไทยหลายปีเสี c ตรงนี่คำถามถามสุดท้ายใช่คเาถามี้นถามย้าม่อ ขาได้รอยเปอร์เหรือไม่ได <c oughs> <that> ้เปอรเซเลยกไม่น่ายิ่คำว่าการทัศนสรุปไม่ไม่เลายูติมีกได้ยินคำนี้ก็มาได้ครั้งแล้วอยากจะ call น้าอธิบายรองการทัศนสรุมันเป็นยังไงใช่ความทัศนสรุของลุงพ่อเป็นยังไงนะครับเออไม่ยากรับก็จะรู้ อกล้วยธรรมะในปากมีกระลุกกาจารุอ่ะออันนี้มันหวานเท่านั้นกระลุกกาจะรุอย่างอื่นกระลุกอย่างนี้นะดูอย่างรุดกล้วยในนี้นะเอากล้วยธรรมะในปากมีความหวานถึงอื้รู้แล้วนี่กาจรุธรรมะกับอย่างนั้นไม่ยากไม่ง่ายคือให้มันให้มันรู้ตรงนั้นเท่านั้นแหละมันกระลุก มันไม่มากครอกมันเมยมากให้มันรู้กัะทารู้มันเมยมากอนี่ก็ต่อเทียบกันอย่างนั้นนะอืมเทียบกันอย่างนั้นมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหะมันเทียบอย่างนั้นไอ้ความรู้กัะทารู้คือมันกระทู้ตามความจริงนั้นก็หายทุกข์มันก็สบายความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องถามใครแล้วง่ายสบาย หมดปัญหาแล้วแถวนั้นเนี่ยอะยัง ย, ยังเราฉันกล้วยรูรสหวานหมดแด้ไม่ต้องถามใครแล้วบวานก็หวานเท่านี้เปรี้ยวก็เป ร, รี้ยวเท่านี้เราไม่มีอะไรจะถามอีกแล้วมันจะกินกล้วยต่อไปให้มันอิ่มเท่านั้นพอแลนั้นะงับเหตุทั้งหมดรู้รู้ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามหลายชาั้นไปหลายยางหลาย รูยังที่สุดได้ประเดี๋ยวไม่มีเรื่องไม่ต้องพูดกันดีเชิญเวลาาอยู่ซีแอตเท l e ลุนพรู้บอกอนว่าลุนพอก็ไม่รู้จะต้องอังเป็นอะไรนั่นเนียเรื่องตอนใหม่ไม่รู้เป็นอะไรนั่นเนี่ยรู้ยางงั้นเนยนั่นก็รู้คือรู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนยรู้ล้ ไม่เข้าใจสิศีลมันยิงจะตามหลายสีมันไม่รู้จัก <c oughs> เราจะสาธุ <c oughs> นะเยาจะสาธุ ป, ปัญหาวันนี้เนาะจบไว้สุดท้ายนี่นี่ <c oughs> จะสรธปสาธุ ป, ปัญหาวันนี้ให้ฟังปัญหาในวันนี้นเน่ะไอ้คนนั้ น, น่ะมีปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาที่น่าสนใจ ห ล, ห, ลหลายคนเหมือนกับคนรลายคนจะมีโพคนเดียวสองคนอยู่กันอนั้นนี้ว่าปัญหาวันนี้ก็น้าหน้าที่สนใจก็คือคือปัญหาคนคนนั้นถ้าว่าไม่ต้อง่งงอื่นดูทางน้ำมัมปฏิบัติมันจะกำะหลายน้อยขึ้มาอย่าง อย่างคนอเมริกาหนี่นะไม่จะไปตามดูทุกคนหนึ่งห่างยาแต่เรามารูปคนคนเดียวเท่านี้ก็รูปหมดเนี่ยผู้หญิงก็รูปคนเดียวแต่ผู้หญิงผู้ชายก็รูปคนหมดแล้วนะมีผู้หญิงผู้ชายมีคนเดีวยวมันก็ง่ายขึ้นแต่เราจะไปตามดูทุกคนทั้งร้ยนะแล้วก็คนคนทุกคนนี่ก็เป็นเกิดเบื้องต้นแปลต่ำกลางดับจิตสุดเหมื่อนกันถึงนั้น แต่เรารู้จักคนคนเดียวแล้วก็รู้จักคนในโลกนี่ไม่ต้องตามไปหาก็ได้ น, นี่นี่ปัญหาที่ธรรมะ จ, จะต้องปฏิบัติอันนี้เราสงสัยที่นี่เราก็เราก็สงสัยเหมือนกันสงสัยในที่ไม่สงสัยที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติลาบากสักหน่อยเนี่ยมันร้ายครูร้ายอาจารย์เกินไปนะถ้าคนฉช า, าดก็ไม่เป็นอะไรมันจะเอาผลมาอีกกี่กี่พันมารวมกันก็ได้ ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเราไปอยู่วันนั้นก็แอปเปิล น, นั้นได้ถ้าคนไม่รู้จักจะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเดวุ่นเนี่ยอันนี้มุ่นเป็นเหตุให้สับสนวุ่นวายเป็นเหตุให้ความสงสัยเกิดขึ้นมากกว่าจะเอาอะไรอือย่างวันนี้เราจะอย่างเราจะนั่งอยู่นี่ก็วันนี้นั่งอยู่เนีเ่ต้องกลับบ้านนะะคิดไปๆกลับบ้านดีกว่ามั้ง น, นะคิดอีกหนึ่งต้องกลับนะคงอีกต้องกลับอยๆๆ่างเงี้ย นั่งบีงกี้เด่นถึงถึงพวกนี้มากะพวกนี้ก็ยังไม่กลับวะต่อไปถึงจะกลับนะออนั่งอีกพันกลับวันนี้ลนะคือเตรียมตัวจะกลับนคิดยังไม่กลับนะพวกนีถ้ถึงกลับเ่ยคนนั้นไม่เดาไปที่ไหนเลยใช่ไมมันเลวุ่นถามวันวันก่อนลุงพ่อเทพเริง ความตายมรณะของคนและเท่าที่คนนี้เข้าใจหลวงพ่อเทศว่าให้ตายเดียวนี้ดีกว่าตายที่หลังตายเดียวนี้จริงๆแล้วเราจะมีชีวิตที่จริงถ้าเข้าใจถูกแล้วจะทำยางไงถึงถึงให้ตายเดี่ยวนี้ได้ <laughs> คำถามนี่ก็ไม่รู้มันเกิดมาจากที่ไหนเนาะเป็นไม่ค่อยหมดสักทีหนึ่งเนาะ <c oughs> ถ้ามันหมดคําสงสยัยอะไรนั้นเน่ยมันตายใช่ไหมตายอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้ว <c oughs> ดับใช่เราจะทํำยังไงมันถึงจะหมดความสงสัยนั่นเป็นเป็นหน้าที่ของเราให้มันหมดความสงสัยทํำยังไงมันจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยมันก็หมดปัญหาหมดปัญหามันก็ตายตา ย, ตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตายพรุ่งเนี้ย ตายนาทีนี่เปนต้องตายนาทีหน้ายังเหลืออย่ังไหมคนอื่กล้าทำไหมใครเนี่ใครยังไม่ตายเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกเสียทีคือ ถ้าไม่มีใครถามจะอธิบายสักอีกสักนิดเนาะครับได้ครับมันว่งวางๆนะยนะ อ, อันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของเราบางทีเราคิดไม่ถึงคือเรามองมองข้ามมันไปบางทีก็มองไม่ถึงมันถึงไปพบอันนี้อันนี้มันบกขมาถึงต้น คำที่ว่าตนกับคำที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนก็เรียกว่าอยนี้พูดที่เห็นตนไม่ใช่ตาเนี้ยมันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นนะมิใช่ตนนั่นเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมาดานี่หมายในร่างกายนี่เป็นตนนั่นนะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่า ไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตอนมันตายแล้วเหลือแต่อนาตตานั่นเหลืออยู่เดลือเกิดดับเป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทาให้มันตายเราไม่ค่อยได้ตายเพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์คนมีสุขมีทุกข์กวเพราะมีตัวมีตน อันนี้เราเห็นนอกตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มันจะสงกหมดปัญหานะตายแล้วเา่าตีใครมีปัญหาอะไรดอกสถานสถานที่นี้ที่มาบาติบาตเมื่อบาติบาต ท, ที่บา้านบอกว่ารู้สึกขีดเกียตินตอนเช้า ไม่เคยอยากเดินนอนอีกดีกว่านั่งกินประทานกำลังยูเฉยไม่เคยแดงดังสติที่นี่พอทำได้แต่พอถึงบ้านยขี้เกียจจะทำยังไงมันดื้อคนขี้ดื้อมันโอ้โหอันนั้นจิตใจของเราไม่มีอำนาจจิตใจของเราไม่มีอำนาจ มาที่นี่มันเห็นเพื่อนมั่งเห็นอาจารย์บั่งเห็นใครบั่งมันก็ตื่นขึ้นตั้งใจอำนาจเอาไปฝากไว้ก็แย่บ้างไปฝากไปก็เพื่อนมั่งถ้านอนตื่นสายไม่ทานก็อายเขาขี้เกียจแล้วก็จำเป็นก็ต้องเอาสังขารนี้รูปไปเดินตื่นตะตื่นตะจะเขางั้นเนี่ยหยุดไปไปที่บ้านเนี่ยจิตใจละหมดอำนาจตามใจของเราอือย่างนั้น คืออยากจะตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ได้ไม่ไมีใครว่านี่ลักษณะอย่างนั้นอืมจิตใจไม่มีอํานาจพอถามเข้าใจไหมเข้าใจอืมามเข้าใจต้องตง้องและทต้องทำอย่างไรถึง ม, มีอํานาจให้ให้มันเข้าใจชัดเจนให้มันมีอํานาจในตัวของมันไม่ต้องอาศัยคนอื่นถามมันบัดคีเกียดดีไหมถามมันไง <c oughs> ถามมันยังไงมันขีเกียดดีไหม อถามอย่างนั้นเรื่อยๆกินก๋ว่ามันไม่ดีมันก็จะขยันเองมันลเนาะถ้าว่ามันไม่ตอบนี่ยมันดื้อถาว่ามันเฉยมันไม่ตอบมันดื้อต้องฝึกไปมากอืมอยากให้มันกินข้าวสักเก็ดแปดวันนี่ถามันไม่ตอบน่ต้องเอาอย่างงั้นทรมานอย่างงั้นฝึก พระพุทธเจ้าฝึกบริษัทฝึกอย่างนั้นนายชัดถีฝึกม้าก็ฝึกอย่างนั้นม้าตัวไหนที่มันดื้อมาให้กินยาเลยม้าตัวไหนที่มันแขงชั่วนหน่อยก็ให้มันกินแต่น้อยอีกตัวหนึ่งมันดื้อไม่ให้กินเลยตัวฝึกอย่างนั้นอืม <laughs> เขาหัวเราะเลยเขาถามว่าอยู่ที่บ้านใจวุ่นวายผุ้งสารมีเอความสงสัยมากที่หลังเราต้องตัดสินใจใบทำอย่างนี้ใบใบทําอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได้อจะจะทํำยังไงถึงตัดสินใจได้ยังไงทำไมเป็นคนห้ามไม่ให้ตัดใครสงสัยนันเอง ความสงสัยความสงสัยสงสัยนั่นคือใครไม่รู้นั่นละตัวไม่รู้เน่ยตัวสํำคัญเ่ยได้ออันนี้เราก็ต้องทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันดีทําไมเราตัดไม่ได้ไอ้ความเพียรเรายังไม่ถึงมันมันกันกับเราเอาไม้เอาไม้มาสีไฟเห็นไหม ไฟดื้อเนี่ยเขาบอกไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองซี่เนี่ยสีกันเข้ากันไม่หยุดถ้าแต่ไฟเกิดขึ้นมานะอ<ม>แเราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆเนาะจากไม้สองซี่มันสี <S <S 1> <S 1> ความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วแล้วนะหยุด ยังไม่มีไฟและวไอ้ความเปกิงความร้อนยังไม่สมรุนมันมันก็ไฟยังไม่เกิดการตัดสินใจยังไม่ได้นี่คือไอ้การเพ่งยังไม่พอยังไม่สมควรพอจะตัดได้มันก็ยังตัดไม่ได้อันนี้เพราะควมเพียรพยายามไม่ถึงที่สุดมัเหมือนกับไอ้บรุษที่เอาไฟเอาไม้มาสีไฟขี้เกียจมาก่อนคิดว่าไฟมันสีสักทีสองทีมันจะเกิดไม่ใช่ ในความร้อนมันสมรุ่นไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียนยังไม่ถึงถ้าความเปลี่ยนถึงเมไรมันก็ออกไม่มีใครไม่มีใครบอกดอกเหมือนไฟซอดโผมคืนเห็นไหมใครบอกออกมาอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อนไหนบอกไหมตัวเองก็ยังไม่บก <c oughs> รกมชาติมันบอกเองไฟซัดมือคืนนี้ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้น ไอ้พวกเรามันอยากแค่ไปกัดสะดุ้งใจในในบ้านเน่ยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้ากัดสะดุ้งตรงไหนนะตัดอยู่นี่ป่าหรือตัดอยู่ในบ้านไม่ใช่ครับหอท่า น, นัอาใจในี่ไปตรงไหนท่านไปนั่งอยู่ตรงไหนไหมอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีไมืมนั่นแหละอืม ไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองชาวอเมริกาอยากกัดสรู้อยู่ในบ้านโยมเลยไม่อยากออกจากบ้าน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมละ่ะมันนบากอย่างนี้เลยมันนบากอย่างนี้อก่อนจะมีครอบครัวกานึกว่ามันสบายมันสุขมันสบายมันง่ายมันสะดวกเมืเ่มอเขามีครอบครัวแล้วก็อยากไปปฏิบัติก็ยาก เือกผูกคอนี้ผูกขานี้ไว้ดึงไว้มาให้ขาดก็มาเรียนพระมอนุท่านอาจารย์ไปทำกฎกรรมฐานอยู่ในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันมวุ่นวายมาทำกรรมฐานใ น, ในสถานที่ถมันสบายไปหน่อยใช่ไหมนี่คือกฎกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้น นี่เวลานี้กฎนั่นมันเกิอดอะไรว่ามันจำเป็นอย่างนั้นเที่ยงว่าทําดีมันดีทําชั่วมันชั่วอย่างนา้าเห็นไหมนี่คือกฎมาเรียนเบื้องแรกก็บรรมีมครอบครัวมากดสบายสบา ย, บายนี่นึกว่าสบายในกฎอันนั้นทําลงไปแล้วกฎก็คือกรรมนั่นมาถึงบัดนี้มันเป็นเชือกผูกคอเราดิสอ อ, อยา่างเห็นใจไหมล่ะใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะ ถ้าใครมีอะไรพยายามให้มันดุดให้ได้ทนเนาต้องอดทนอย่าว่าหลวเี่ยว่ารุงพ่อห้ามนะตามใจอ่ะถามเรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติโดยปวดเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นครวะอยู่บ้านคนนี้ก็ยังยังไม่รู้ทางที่ดีนะ yeah. ที่ทำยังไงดีถ้าบวชได้ก็บวดนะมันดีมันเราคนคนเดียวมีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้นถ้าจะทาได้น่ยเป็นนักบวชเนี่ยดีจงทวงความสุขทิ้งทรงเพื่อนฝูงทิ้งทรงญาติพี่น้องทิ้งทรงทรัพย์สม บ, บัติทิ้งหมดเดียวคนก็นตายเหดือดเตี๋ยพระเหมือนนก นกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปไปต้นไม้ตัวนี้ก็จิกกินผลไม้กิ น, น, นไนด้สบายตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงตวนหลังอันนี้พวกเราต้องเอารถเข็นไปคร้บ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อะไร มันยากถ้าเป็นผาเนาี่ยมีปีกเดีวมีขาแล้วก็มีปากฉะนั้น <c oughs> กินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ต้นนี้เราก็อิ่มเล้วก็ไปแต่ห่วงนี้ <c oughs> อย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนก <c oughs> มีอะไรไหมเพื่อ <c oughs> ครัวเหรอ <c oughs> ถามเรื่องมารณะสติ ถาเราตังสติรู้ว่าเราจะตายทุกๆวินาทีตายได้เราจะทายังไงเพ <c oughs> ื่อไม่เกิดความกลัวมากด้วยไม่ต้องทําอะไรเมื่อจิจเห็นยังงั้นกิดมันเปลี่ยนเองมันไม่ต้องไปแต่ง ม, มันเมื่อเห็นเห็นเห็นเห็นมันสติบ่อยๆนะอ่ามันเป็นสภาวะหนึ่งที่จะบังคับความหลวงงมงายเราให้น้อยลงไปราคะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไป น้อยไปน้อยไปจิตนมันก็ตั้งขึ้นถ้าเราพิจารณาบา่อยๆนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมันมันจะเกิดเองมันนะนะไม่กลัวยิ่งกล้าไม่กลัวไปพูดความตายเขาฟังเขาอยู่ในใจเห็นไหมเราพวกเราสมุดทํางานกันไดอย่างวันเนี้ยพิจารณาความตายแล้วหรือ้ยังเห็นแต่เช้าวันนี้มีไหม ใครได้คิดบ้างดือเปล่าหรื้อวิ่งเฉยเฉยตอนเช้ามาหรื้อนอนเฉยเฉยวิ่งเฉยเฉวันนี่คิดอยู่แต่ว่าคิดมันไม่มันไม่หลุดครับไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่ไม่ถึงเมื่อสปีที่แล้วข่าวโรงพยาบาลป่วยมากจนจะตายทีนี้เรานึกถึงแต่ว่านักมันไม่มันไม่เข้ามันไม่หลุดไม่เข้าเลยครับวันหลังเอาใหม่นั้นนั่งอัดลมไม่ไม่ต้องหายใจนะครับมันจะเป็นยังไง ทำไมมันดื้อมันอยากเห็นเนี่ย <c oughs> อะไรทุกอย่างก็พยา ย, พยามบ่อยพยายามบ่อยๆความร้อนยังไม่สมรุนไฟมันยังมีเกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้ก็ น, นยังไงพรุ่งนี้เขาจะเอาเราไปประหารนี่พรุ่งนี้<อ>เขาจะคิดเองสมมติอย่างนั้น อในส ม, มุดนะเขาเครคิดอย่างนี้แต่ว่ามันมันยังยังไม่เข้ายังช่วยไม่ได้อีกไม่ช่วยไม่ได้เดียวที่นี่ยานใจนะที่นี่นะยานใจ <c oughs> ต้องทำบ่อยๆพี่นะบ่อยๆเดี๋ยวมันเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เคยทำไปเดินไปเห็นตัวไม้ตายอืมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเห็นสัตว์มันตายเราก็เหมือนกันอย่างนั้น <c oughs> เห็นต้นหามันตายอย่างนั้นเห็นใบไม้มันร่วงเราก็เป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้เรื่ีงนี้มันก็เห็นเท่านั้นะนี่ยอันนี้เห็นต้นไม้ตายก็ไม่เห็นเราตายเห็นแต่ต้นไม้มันตายคนอื่นตายก็เห็นแต่คนอื่นตายเรามีมันหนามันหนามากต้องคนายางข้ามเยก่อนนในมากมันหนา คนนี้ถามเรื่องโลกนี้แคนว่าโลกจะยิ่งชัวแย่ปัญหายิ่งมากขึ้นและจะทำยังไงท่านอาจารย์ <c oughs> นีจริงไหมครับโลกนี้มันจะเสื่อมไปไหมโลกคืออะไรเขารู้ไหมไม่รู้กันแน่ <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกมันจะหมดกันแล้วนะนะ โ, โลกโลโก้ท่านปแปลว่าความมืด โลกเพียงก็คืออารมณ์เรามันชุดไปเลยไม้มแล้วคนตามอารมณ์มากตักว น, นี่นีน่หลงนั่นโลกเป็นโลกมืดแต่ความคิดมากอารมณ์มากตักว น, นี่มันวุ่นโลโก้ตันแปลว่าความมืดเราไม่รู้จกักก็เห็นว่ามันจะมืดอะไรไฟฟ้ามันสว่างเหลืเกินเนี่ยอย่างนี้แล้วในไฟฟ้ามันสบายมันสว่าง แต่ไฟฟ้ามันสว่างเมื่อไรใจคนหญิงมืดเมื่อนานนะมั้ยทำอะไรก็ได้มันง่ายมืดมันลมมืดเอ่สว่างข้างนอกคือมันสว่างอืมของโลกไม่ใช่ปัญญายิ่งยิ่งข้างนอกไฟฟ้าสว่างเมื่อไรน้ําะดีเมื่อไรไฟสว่างเมื่อไรโลกก็ยิ่งมืดมืดคือจิตใจคนนั้นยิ่งเจริญยิ่งเพลินตามความหลงความหลอกเรื่อย ใจยิงมืดโลกจเจริญขึ้นก็คือความมืดมันจเจริญแต่ก่อนชาวอเมริกาเป็นอย่างไรไอ้ความสะดวกข้างนอกไม่ไม่ปานนี้หรอกแต่คนยัง่อๆสบายนะเดี๋ยวนี้ไฟมันสบายมันสะดวกรถเรือมันสะดวกมากเพื่อนเดี๋ยวนี้คนเดินไปตามถนนมีแต่ล่างไปจิตใจไม่มีซะแล้ว <laughs> มันไปอยู่ในความสว่าง มันเสื่อมแล้วเนี่ยครัวนี้จะเริ่มเสื่อมแล้วคนนี้ถา้าถ้าเรามีโอการ<ม>ข่าวบาคนเดียวไปอยู่ในปา่าคนเดียวปฏิบัติกรรมทานมีจะดีไหมครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะคนมีปัญญามันก็ดีคนโง่มันก็ไม่ดีแล้วเหมือนกระขี้ไก่เนี่ยอเอาขี้ไปทิ้งไว้นในป่ามันก็หมินอยู่ในป่า อ่าเอาไว้ในบ้านก็หมีอนอย่างในบ้านมันเป็นขี้ไก่นีน <_ C> ่ฟังเส้นนีดหน่อยนะโลกที่เขาเรียกว่ามันมืดไม่มีอะไรจะเป็นอะไรหรอกเพราะปัญญาเราไม่มีนะไอ้คนเราทุกคนเนี่ย ไอ้ความรู้ยังทุกวันนี่สมัยก่อนไอ้ความรู้ไม่ถึงนี้ฝ่ายโลกบ้านเมืองเนาะเรียนเนมัรู้ไปถึงนน้นอะไรก็อนเรยมันรู้กันหมดนะการเรียนเนาะความรู้มากไอ้ความรู้เน่ะเหมือนกันกับมีดเล่มหนึ่งที่เอารับเนี่ยมันคมคมมากนะแต่ว่ามีดเดี่มนั้นเราเอาเก็บไว้ มีดเดียมนั้นมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าคนมีปัญญาเอามีดเดียมนั้นไปใช้มีดก็คมคนก็มีปัญญาก็เอาไปใช้ทําประโยชน์ได้ดีมากถ้ามีดเดียมนั้นมันคมแต่คนไม่มีปัญญาอื mm. ก็ไปทําลายประเทศชาติไปทําลายความสุขไปทําลายความสามัคคีทุกอย่างได้ง่ายเพราะมีดมันคม mm. ความรู้ ไปตั้งอยู่ในคนพรานเหมือนเอาสัตรา ใ, ให้มือโจรความรู้ไปตั้งอยู่ในชนพราืรา์คนร้ายค น, นคนร้าย ค, คนพายคนชนพราณมีความรู้เหมือนเอาเหมือนเอาอาวุธให้เอามือใส่มือโจรมันยิงตะอพืชฆ่าต่พืชในนั้ น, น, น เอ่ความรู้ตั้งอยู่ในใจของบัณฑิตอย่างบ้านเมืองประชาชนในราบื่นอย่างนั้นความรู้กับมันกันทุกวันมีคนมีแต่ความรู้อาศัยความรู้บูชาความรู้ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้องอืมีความรู้จะต้องมีความดีได้มีความถูกต้องด้วยส่งเสริมมันก็ดีอันนี้มีความรู้อย่างชั้นใหญ่ที่สุดใหญ่มากอะไรทอะไรรู้ไหมอย่างนี้หมดทิพย์หายหมดแล้วเนี่ย นี่คือความรู้แต่ไม่มีความดีถามเรื่องชีวิตคารวาชชาวบ้าน <c oughs> อีกแล้วถามว่าที่ลุงพ่อเทศให้มีความอดทนความาาคันตินอกจากนั้นเราจะทำอะไรตอนอยู่ที่บ้านที่ที่จะได้ปล่อยวางของขนใ ห, ให้ชีวิตที่ว่างจากอันกิเลจะทำยังไงครับ นภายในชีวิตชาวบ้านชอบทำแต่ในบ้านนะเป็นคนในบ้านนั่นแหละคนในบ้าน <c oughs> คนอยู่ในบ้านเองก็เหมือนกันกับคนอยู่ในตารางอยากจะกระทำกรรมฐ า, านเนาะกำลังนั่งก็นายเจ้าหน้าที่เคียนพักเ <c oughs> ดี๋ยวไปโน่น <c oughs> ปานี้จึงเห็นโทษมันเนาะแต่ก่อนไม่ค่อยอยากจะเห็นโทษมันครับบัานนี้เห็นโทษมันเมื่อมองเห็นโทษมันเอมันเข้าไปลึกแล้วนะยากไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะทําความดีอะไรจะให้จะให้มันปล่อยวางมันยากมันต้องคนขยันจริงๆมันต้องคนต่อสู้จริงๆคนขยันจริงจรงปฏิบัติมันหลายอย่าง แต่ก็อย่างไรก็ช่างมันเถอะไม่มีการปล่อยวางสังหยิบกรพอยเท่าไรการพูดของเราจะให้มันยังไม่มีโทษการกระทําอย่ยมันมีโทษเด็กกระพอเยเนีย อ, อ๋อเป็นหลัก ม, มีสินห้าประการเนะี่ยเป็นหลักกระพอแล้วเป็นแค่ว่าเกื่องแต่งวันที่มัก็เป็นบางครั้งบางคราวเวลาก็ไอแ้แจ็คกระเปิดสถานสถานที่ น, นี่ภาวนานีกลาเขาสักลาขอบ้านครับขอขอลาขอบ้านชาวบ้านเล็กๆนะอยากนรกสักหน่อยผอพออะไรด <c oughs> ีนะปัญหานี้ปัญหานี่เป็นของแก้ยากที่สุดแต่ ง, ง่ายที่สุดที่ปัญหายโยมถามเนี่ยคล้ายๆว่าอันนี้เป็นเป็นก้อนไฟร้อนๆนะเขาจับก้อนไฟอ่ ทำไมฉันยิงจะไม่ร้อนมหาพระวางใช่ไฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากจะให้มันร้อนนี่นะถ้ะบอกไม่ได้โยงต้องวางมันใช่ฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากให้มันร้อนเนี่ยถ้าหากว่ามันแก้มันแก้ยากปัญหาอันนี้ต้องอดทนไป ถ่าเงินโทษมันอะไรจะปัญหาง่ายๆก็จะทิ้งมันจะหายร้อนด้วยนะครับถ้าถ้าปล่อยว่างนี่มันไม่ใช่จะทำกรรมอีกนะครับอะไรอือใช่เท่งมันใช่ทํากรรมทํากรรมให้มันกรรมนี้มันให้มันเหนือกรรมทั้งหลายนี่ครับกรรมดีก็เหนือไปกรรมชั่วก็เหนือไปจนถึงช่างกรรมไม่ดีไม่ชั่วครับถ้าปล่อยแล้วยข้า<ม>ถาม คำถามต่อไปเรื่นั้นแหละว่า เ, าเรามีครอบครัวแล้วเขา้ขาเข้าใจว่าลุงพ่อบอกว่าให้เทมันมมแล้วให้ใหนีนี่ถูกไหมครับอถ้าที่รับผิดชอบนี้ทางใจครับไม่ใช่นี้ทางกายอืเราไขแล้วต้องฟักไว้นี่จากไขก็ไม่ได้แล้วมันเน่าวะ่ะจำเป็นคอยพยายามทำกันนะมันให้มันมันไม่ จ, จากโทษมันครับให้เขาใช้ย้อ น, นก่อนให้มันเข็ดเนอะ เราไปทำไปแล้วต้งรับกรรมมนไปก่อนพอถึงควรที่มันบ้านของเรามันรับดื่นเงิก็ค่อยๆออกไปนะในโยงคุณใช่ไหมมันเข็ดนะหมดแล้วพอแล้วครับเออ ปัญหาทั้งหลายทั้งหลายแล้วนี้เอามาให้ตมารวมมันจะเอาไปเทเมืองไทยนะได้มันรวดขึ้นอีกนะจะเอาไปเททิ้งเมืองไทยนะได้ละหนวดีที่ส<ะ>ุเนาะถูกกันไหมรู่น <c oughs> นี้เนาะเศรษมันเนาะ